ก็มาก็พยายามก็พูดให้สอนให้เขาเข้าใจถึงการดูแลรักษากายของเขาและดูแลรักษาใจไปด้วย <Yeah. S 1> คือใจก็ต้องดูแลกายก็ต้องดูแลกายก็ดูแลตามตามความจําเป็นของร่างกายใจก็ต้องดูแลไปตามความจําเป็นของใจ <Yeah. S 1> ก็ทําให้เขาเข้าใจเขาก็จะได้ไม่ท้อแท้บางทีเรารักษากายดูแลกายแล้ว มันอาจจะเกิดความเบื่อน่ายเกิดความท้อแท้ทางจิตใจได้เพราะเกิดความอยากที่อยากจะให้มันมันดีกว่านี้หรืออยากให้มันหายเป็นปกติซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ mm. ก็อาจจะเกิดความท้อแท้เบื่อหน่าย mm. ก็ต้องสอนให้เขายอมรับความจริงว่าร่างกายก็เป็นตามตามวารรคของเขาเขาก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปเป็นธรรมดา แต่ใจเราก็ต้องต้องอย่าไปอยากให้มันเป็นเป็นเป็นอย่างอื่นคือเราต้องยอมรับความจริงของเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้ยอมรับความจริงของร่างกายเพราะเป็นอย่างนี้ก็อยู่เขาไปเขาอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ให้เขาไปเขาไม่ใช่ตัวเราเขาเป็นเพียงตุ๊กตาที่เราได้มาเป็นเครื่องมือใช้ใช้ติดต่อกับตุ๊กตาตัวอื่น พวกเรานี่ก็เป็นตุ๊กตาเ่นั้นน่ะร่างกายนี้เป็นตุ๊กตาใจเราใช้ร่างกายนี้ติดต่อกันเหมือนกับเราใช้มือถือติดต่อกันอย่างนี้เราอยากจะติดต่อกันถ้าไม่มีมือถือก็ติดต่อกันไม่ได้ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ติดต่อกับพวกที่มีร่างกายไม่ได้ถ้าเราไม่มีมือถือเราก็จะติดต่อกับพวกที่มีมือถือไม่ได้ร่างกายนี้มันเป็นเพียงมือถือหรือเป็น ตุ๊กตาตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่ใจใช้ใช้ใช้งานครับใช้เป็นตัวรับข้อมูลรับส่งข้อมูลเห็นไหมพูดถึงมาแล้วเนี่ยขึ้นต้นได้ถ้าอย่างนั้นพวกที่ไม่มีไม่มีรูกายอะคะเข้าก็ติดต่อด้วยการด้วยกระแสจิตไงอย่างพวกเทพก็ติดต่อกันด้วยกระแสจิต <c oughs> พวกกายทกเทพก็ติดต่อกายเทพหรือพวกที่ นหรือพวกที่มีกายแต่มีพลังจิตเขาก็ติดต่อกันผ่านพลังจิตเลยไม่ต้องใช้ร่างกายอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนเทวดาทุกคืนก็ใช้พลังจิตไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะว่าร่างกายติดต่อกับพวกพวกกายทิพย์ไม่ได้ต้องใช้กายทิพย์ติดต่อกับกายทิพย์ใจนี่ก็คือก็คือใจก็คือกายทิพย์นี่พวกเรามีสองกายกายอยากก็คือร่างกาย แล้วใจก็คือกายทิพย์แต่พวกเราเวลาติดต่อกันกับพวกกายหยาบก็ต้องใช้กายหยาบติดต่อกันแต่พวกที่พวกที่เป็นกายทิพย์ก็ต้องใช้กายทิพย์ติดต่อกันเช่นพระพุทธเจ้าทรงติดต่อกับพระพุทธมารดาก็ใช้กายกายทิพย์ติดต่อกับกายทิพย์ของพุทธมารดาแต่ถ้าเวลาติดต่อกับพระราชาบิดาก็ใช้กายหยาบติดต่อกันเข้าใจไหม กายหยานี่มันไม่เที่ยงมันมีมันมีขอบเขตมันมีอายุของมันเมื่อถึงเวลามันก็จะหมดสภาพก็ใช้งานไม่ได้แต่กายทิพย์นี้ไม่หมดสภาพตามกายหยาถกายทิพย์ยังอ ย, อยากอยากจะติดต่อกับพวกกายหยาอยู่ก็ไปเกิดใหม่ไปหากายหยาเป็นใหม่ถ้าเรายังมีการมาตัญหาอยู่เราก็ยังจะไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ พอเรายังอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสยังอยากเสพสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรสอยู่ก็ต้องใช้กายอยากนี้เป็นเครื่องมือถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่กายทิพย์นี้ไม่ตายไม่ตายไปกับร่างกายกายทิพย์นี่แหละเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปผลบุญผลบาปก็อยู่ในอยู่ในกายทิพย์นี้เองมีในใจนี้เอง เวลาทำบุญใจใจทิพย์ก็สร้างสวรรค์ขึ้นมาในใจใจใจใจทิพย์เองก็กลายเป็นเทพไปเวลานั่งสมาธิจิตสงบโยมลงเป็นสมาธิใจทิพย์นี้ก็กลายเป็นพรมไปแต่พรมที่เกิดจากการนั่งสมาธินี้ต่างกับพรมที่เกิดจากการเป็นพระอนาคามีพรมที่เกิดจากการเป็นจากการนั่งสมาธินี้มันไม่เที่ยงมันเสื่อมได้ พอสมาธิอ่อนกําลังลงกิเลสก็จะออกมาทําให้กายทิพนิยาบลงไปจากพรมก็ลงมาเป็นกายทิพชั้นเทพพอกายทิพชั้นเทพเสื่อมลงไปก็จะมากลายเป็นต้องมาเอากายหยาบเพื่อจะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสที่หยาบกว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทิพมันจะเป็นอย่างนี้ไป แต่ถ้าเป็นของพระอนาคามีนี้จะไม่เสื่อมลงมาเนื่องจากว่ า, าความละเอียดของกายทิพย์ของพระอนาคามีนี้เกิดจากการชำระกิเลสที่เป็นเหตุที่ทำให้กายทิพย์นี้หยาบพอไม่มีกิเลสทําให้กายทิพย์นี้หยาบมันก็ไม่หยาบมันก็จะละเอียดตามขั้นของมันนล่งจะอยู่อย่างนั้นไปไม่มีวันเสื่อมมีแต่จะละเอียดขึ้นไปเรื่อย ถ้าปฏิถถ้าปฏิบัติต่อไปจากขั้นอนนาคามีก็ปฏิบัติจนเป็นขั้นพระอรหันต์ก็จะละเอียดสุดคือบอยสุดธิเลยคือจะไม่มีกิเลส ท, ที่จะมาทําให้กายทิพนี้หยาบอีกต่อไปก็จะเป็นกายทิพย์ที่ละเอียดไปตลอดอนันตการที่เรียกว่าปารมังสุ ข, ขังนิ่ปานังปรมังสุ ข, ขัง เนี่ยที่พวกเราทากันทุกวันนีคือกายทิพย์เป็นผู้กระทำาท้านั้นเนยงแต่อาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือถ้าทำบาปกายทิพย์ก็จะหยาบมากขึ้นจะสร้างกายทิพย์ก็จะร้อนขึ้นก็จะกลายเป็นเหมือนห้องที่มีอะไรมีเครื่องทำความร้อนถ้าทำบุญก็เหมือนกับเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศทำความเย็น เวลาทำบุญแล้วใจจะเย็นใจจะสงบเวลาทำบาปแล้วใจจะร้อนจะทุกข์สวรรค์นรกมันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ในใจเรานี้เองอยู่ที่กายทิพย์นี้กายทิพย์นี้เป็นเทพเป็นสวรรค์กายทิพย์นี้เป็นนรกเป็นเปรตอยู่กับการกระทาการกระทาก็เรียกว่ากรรมแปลว่ากรรมกรรมคือแปลว่าการกระทา ท่านงมีสุภาษิตที่พูดว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกแยกสั์ให้เป็นต่างๆกรรมก็มี2ส่วนคือกรรมดีกับกรรมไม่ดีหรือบุญหรือบาปถ้าทำกรรมไม่ดีทำบาปก็จะทำให้เป็นอบเป็นอบายเป็นเป็นผู้ที่เกิดในอบายเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นนรก เป็นเดรัจฉานถ้าทำบุญก็จะเป็ น, เ ป, นเป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยบุคคลส่วนมนุษย์นี่เป็นแบบกลางๆคือเป็นที่มากลับมาหลังจากที่ไปรับผลบุญหรือไปรับผลบาปมาพอเหมือนคนที่ติดคุกพอหมดโทษแล้วเขาก็ปล่อยออกมาให้กลับบ้านบ้านเราก็คือพบของมนุษย์ ถ้าเราไปรับรางวัลพอกลับกลับมาจากที่รับรางวัลเราก็กลับมาบ้านเห็นเราไปสวรรค์ไปรับรางวัลไปสวยสุขพอหมดบุญของสวรรค์นะเราก็กลับมาเป็นมนุษย์ใหล่หรือถ้าเราไปใช้กรรมในนรกพอเราหมดจากนรกหรือหมดจากเกรดหมดจากเดรัจฉานเราก็กลับมาเป็นมนุษย์หก็มีทท่านี้วนไปเวียนมาเวียนไหวาตายเกิด ตามการกระทําของเราบุญและบาป พ, พระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้ไม่ให้ทำบุญไม่ให้ทําบาปให้ทําบุญเพื่อเวลาเราตายไปเราจะได้ไปรับรางวัลไม่ต้องไปไม่ต้องไปใช้โทษ <c oughs> แล้วพอหมดรางวัลแล้วเราก็กลับมาทําบุญต่ออย่างที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติที่เป็นในช่วงที่เป็นพระโพธิสัตว์นี้ท่านท่านจะตั้งใจทําบุญไม่ทําบาปตลอด จนทำถึงบุญถึงขั้นสูงสุดคือได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปเพราะว่าได้ทำละสิ่งที่ทำให้ใจนี้หยาบสิ่งที่ทำให้ใจต้องไปเกิดในภพต่างๆหมดสิ้นไปแล้วก็มีเหลือแต่ความสุขอย่างเดียวที่มีอยู่ภายในใจมีความพออยู่ตลอดเวลา นี่ก็คือเรื่องของใจของพวกเราทุกๆคนเป็นเหมือนกันหมดต่างกันอยู่ตรงที่ว่าในใจเราตอนนี้บรรจุอะไรไว้บ้างบรรจุบาปหรือบรรจุบุญกันใจคนบางคนถึงมีบุญมากกว่าคนบางคนเพราะอยู่ที่การกระทำของเขา วันนี้โรงแรมผมพักตั้งแต่เช้ามาไม่มีเลยช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงอยู่หลายวันูคือเป็นแค่ค่บตัวเอพูดถึงทำบุญทำบารมีตัก็ปากถามมาค่ะว่าพอดีว่าพอดีนี่คือเรองที่วาเขาให้เงินเพื่อนยืมไปทั้งเรื่องที่เขารู้ว่าเพื่อนเขาเ่อการพนันานว่าเปล่า ไม่บาปหรอกเพราะการกระทําของเราเราไม่ได้บอกให้เขาไปเล่นการพนันเราไม่ได้บอกเอาเงินนี้ไปเล่นการพนันเขามาขอยืมเงินแล้วก็สงเคราะห์เขาาเรารู้เรารู้เขาเอาไปเล่นการพนันฮะเขาบอกก็เปล่าหรอบอกเขาบอกเขาขอยืมเงินไปเล่นการพนันเหรอพอดีเขาจะข้ามไปเล่นการพนันแล้วพอดีเอทีเอผิดตอออมฟืนไปเขาเลโทรมายืมเพื่อนให้โอนเงินคือในนี้มันก็มีสองประเด็น คือมีทั้ ง, งบุญมีทั้งบุญและมีทั้งที่เรียกว่าส่งเสริมการให้เขาไปทำทากิจที่เป็นโทษกับเขาแต่ยังไม่ถึงขั้นบาปการเล่นการพนันนี่ไม่เป็นบา ป, ป ไ, มไม่เป็นให้เป็นแต่เป็นเหตุที่จะไปให้ไปทำบาปต่อไปพราะคนไม่ได้อยู่ในสินหน้าเป็นอบา ย, ย ม, มุมมกนนะ อ, อบา ย, ยมุขอบายคืออยู่ปากประตูของของของอบายไงคือกําลังจะเข้าไปแต่ยังไม่เข้าไปเพราะว่าที่ที่ว่าเป็นยังไงที่จะที่ว่าเป็นจะต้องเป็นเป็นบาปต่อไปก็เพราะาเมื่อเล่นการมานานแล้วก็ไม่มีถมงเมื่อเงินหมดเจ๊งก็บางทีอาจจะต้องไปข อ, อยืมเงินคนอื่นหรือไปขโมยเงินคนอื่นมามาเล่นต่อคือมันจะเป็นเหตุที่จะให้ไปทำทำบาปต่อไป แต่ตัวอบายเงมันไม่ตัวตัวบายมุกนี้มันไม่เป็นมนบาปแต่มันเป็นต้นเหตุที่จะฉุดร่างให้จิตไปทําบาปต่อไปหรือเป็นเป็นตัวที่ทําให้จิตจิตใจเสื่อมลงคือถ้าก็ให้ด้วยความเมตตาด้วยความการอยู่กันเวทีเขาทดแทนบุญคุณกันอันนี้ก็ไม่บาป ใช่ไหมสองแต่ถ้าสมมติว่าเขาขอยืมเงินไปทําบุญเนี่ยเขาก็จะได้ทั้ง2 อ, งองกระทงช่วยสนับสนุนให้เขาได้ทําบุญทําความดีเป็นเหมือนกับว่าให้เขาได้ไ ด, ได้ได้อาหารทิพกับใจเขาแต่ถ้าเป็นเล่นการพนันก็เหมือนกับได้ยาพิษทิพการเล่นการพนันก็เหมือนกับ ก, กินยาพิษ เล่นหุ้นจานแล้วพี่พวกนี้ก็เล่นถามว่าเล่นหุ้นผิดไหมคะเล่นหุ้นก็ขึอยู่ที่ว่าเล่นนเ่นด้วยเพื่อการเก็งกําไรแบบซื้อขายซื้อขายพอกําไรก็ซื้ออย่างเงี้ยมันก็จะมันก็เป็นเชิงเล่การพนันเป็นการเสี่ยงเสี่ยงโชคการลงทุนด้วนะคือถ้าลงทุนก็ซื้อแล้วทิ้งไว้ไงอย่าไปอย่าไปสนใจมัน เก็บไว้ระยะยาวเอาเงินปันผลอะไรอย่างเงี้ยนี่เรียกเป็นการลงทุนแต่ถ้าเป็นหมายว่าซื้อวันนี้แล้วตอนเช้าเช็คดูราคาพอพอได้กำไรก็ขายอย่างนั้นเนี่ยกันเองจะเทียบเคียงกับการซื้อซื้อขายสินค้าปกติที่เข้าค้าขายกันไหมคะมันเป็นความโลภใช่ไหมคะพี่แจ๊นมันเป็นความโลภอันนึงคือทุกอย่างมัความโลภเหมือนในชีวิตของคารวามันมันหนีไม่ค้นเรื่องความโลภไปแล้ว แต่ว่ามันมันมเหมือนเล่งการพนันเพราะว่ามันจะเวลามันเสียมันก็อยากจะได้คืนแล้วถ้ามันมันมันไม่ระวังมันอาจจะหมดเนื้อหมดตัวได้รัฐบาลก็ส่งเสริมให้ลงทุนนียแต่ี่าคือเป็นการลงทุนก็โอเคคือคำว่ารัฐบาลนี่ไม่เด้่หม่คาดว่าเป็นธรรมะเนี่ย รัฐบาลนี่มันเป็นเป็นกิเลสนะจาดคนที่อยู่ในรัฐบาลนี้เขาอยู่ที่ว่าเขามีธรรมะหรือไม่มีธรรมะาการที่กระทาของเขานี่ถ้ามันเป็นเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่ธรรมะอย่างในหลวงเนี่ยท่านเป็นธรรมะท่านปกครองประเทศด้วยธรรมท่านสอนเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้แหละเป็นธรรมะสอนให้หาหาพอมีพอกินก็พอแล้ว แต่นี่การซื้อหุ้นการลงทุนแบบนี้มันเป็นการโลกเป็นการ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มันเป็นการทำอาหากินที่มันเป็นการเสี่ยงมากเสียเสยเส่ยงเสี่ยงต่อที่เราจะต้องไปทำบาปได้เพาเราเวลาเราขาดเงินเราอาจจะต้องไปกู้นี่ยืมสินโดยที่เรารู้ว่าเราจะไม่มีทางที่จะใช้เขาได้ก็เป็นเหมือนไปโกหกหลอกเองินเขา โดยอาศัยว่าคนที่เราไปขอนี่ยเขาอาจจะเชื่อใจเรารู้จักกับเรามานานแต่ลึกๆแต่ในใจเรานี่เราก็ไม่รู้ว่าจะใช้คืนคนได้หรือเปล่าอย่าง <c oughs> นี้พอเรากูกกา้เงินเข้ามาแล้วเอาไปใช้อีกหมดอีกนี้เราก็นีมันก็เท่ากับถือว่าเราลักขโมยเงินเขาแล้วและเพราะว่าเราไม่สามารถคืนเงินให้กับเขาได้ เข้าใจไหมคือหุน้นคาว่าหุ้นมันก็แบบว่าเราเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนี้แล้วก็เราอยากจะเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทนี้เราก็ซื้อหุ้นของเขาแล้วเราก็เก็บไว้แล้วก็เราดูว่าบริษัทก็กิจการเป็นยังไงอ ะ, ะเริญก้าหน้าหรือขาดทุนเราก็ดูตรงนั้ น, น, ลนแล้วก็ผลมาถ้าเจริญเราก็เจริญกับเขาถ้าเจ๊งก็เจ๊งกับเขาไป อันนี้เรียกว่าเรียว่าเป็นการเป็นการแบบว่าเป็นหุ้นส่วนแต่สมัยนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ทำกันแบบนี้เขาซื้อเก่งกําไรกันมันก็เป็นเหมือนกับซื้อลตอตเรีเหมือนเหมือนกับเล่นการพนันที่เขาเรียกอะไรเล่นเล่ น, เ ล, นเล่นลูกเต๋าหรืออะไรเงี้ยไฮโลเงี Hi ้ยเราก็แทงเบอร์นี้การมันออกถ้าไม่ออกเราก็เสียถ้าถ้าออกมาเราก็ได้ มันก็เลยเป็นการปรัญญามากกว่าเราก็เลยไม่มีเวลามานับธรรมะกิจตามปกติแต่สมมติว่าถ้าเราซื้อหุ้นเราคิดว่าหุ้นของบอริษัทนี้เขามั่นคงมีการเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆมีผลตอบแทนดีเราซื้อเก็บไว้แล้วเราก็ไปธรรมากินของเราตามปกติเราไม่ต้องไปติดตามตลาดหุ้นตลานี้หุ้นตัวนี้ขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่ อีนนี้หุ้ที่ตลาดในไทยตกหนักมากแต่อนนี้ก็อาจจะอยู่ที่มุมมองถ้าก็ไม่ไม่ไม่ไม่ค้านใครอยากจะมองว่าเป็นการลงทุนก็ได้จะวองว่าไม่ไม่เป็นการเล่นการพนันก็ได้แต่เราต้องระวังก็แล้วกันว่ามันอยาให้เราพาให้เราไปทาผิดศินห้าข้อกันแล้วกัน ข้านั้นอนะ่ะ ถ, ถ, ถ้าเล่นไปแล้วเจ้งก็ยอมรับแล้วก็อยู่กับมันได้ไม่ไปทําบาปก็ไม่เป็นไรตั้งกันค่ะถ้าจะได้เวลา1บริ ง, งมันมี 1,000 ผ่านใช่ไหมคะแล้วถ้าเราก็จะมีเรามีสงให้เราทาบุเนี่ยมีกล้องไปหัวทําบุนหลายๆอันใช่ไหมคะถึงว่ามีประมาณ10จอง เราใส่ซองนึงหนึ่งพันเลยแล้วเราไม่ใส่ซองอื่นกับเราแยกได้ใส่ซองอัน น, นี้สมควรุี่จะยังไงครับสำหรับเราไม่ต่างกันแต่สําหรับผู้ที่รับรับการทำบุญของเราต่างกันคนนี้ได้รับแต่คนนี้ไม่ได้รับ <c oughs> าากนะ็จะนั้นเหมือนเหมือนคนสิบคนหิวข้าวแต่คนให้คนกินข้าวคนเดียวอีกเก้าคนเขาก็ไม่ได้กินแค่นั้นเองแต่คุณก็ได้เท่ากันคือคุณได้เสียสละเงนินปริมาณเดียวกัน คุณก็ได้ความความความสุขความอิ่มใจเท่ากันสมดอันดีศงเท่ากันสาหรับคนทำเท่ากันหลายคนที่คนที่รับนี้ไม่ไม่ได้คนที่ไม่ได้รับก็ไม่ได้ไม่ได้รับประโยชน์คุณมีลูกสิบคนคุณจะให้ลูกกินข้าวคนเดียว นอาะมันเป็นคําถามที่คนละอันกับพี่ที่ตะกอที่เคยถามท่านอาจารย์เนี่ยนะคะเราะว่าเราจะทําบุญเพิ่มทำบุญแ ใ, ให้ท่านอาจารย์หน <c oughs> ึ่งพันบาทกลับท่านบุญครั้งละร้อสิบครั้งพอผมว่าท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันเหมนกันแต่ว่าให้ครั้งเดียวไปเลยดีกว่าเ <c oughs> พราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเราจะมีอา <c oughs> ยุยืนมาจอยเป็นสิครั้งหรือเปล่า <c oughs> แอันนั้นอันนั้นเข้าใจเคลียร์แต่อันนี้หาที่หน่อยก็ถามเนี่ยก็คือว่าก็มันซองเลยเยอะๆอเออมีหลายซองพวกเราเปิดซองกันเต็มเลยกับว่า านที่เราจะใส่ไปซองเดียวจบไปเลยหรือว่าเราต้องมาแยกแยกแยกแยกอะไรยังมีซองคือเพราะเองไงย่างที่ว่ามีซองท่านอาจารย์มีซองปล่อวัก็อยากทำขท่านอาจารย์มากใช่ไมคอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันก็มีม่ปล่อยวัวท่านอาจรเพราะบางทีเห็นใส่ปล่อยวัวยี่สของท่านอาจารยห้ารอแบบนี้ก็เขาบอกก็ประเด็นคาว่าบุญนี่มันอยู่ในตัวเรา ออ่เแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบุญของเราเนี่ยอยู่ที่ผู้รับเนี่ยนี่ถ้าเราพูดถึงเรื่องบุญไม่เกี่ยวกับประโยชน์ของผู้รับนี่ก็เราทํากับใครเราก็ได้เท่ากันแต่ผู้ที่ได้รับเขาคนที่ได้รับเขาก็ได้รับประโยชน์คนที่ไม่ได้รับเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์สรุปว่าทำกระจายจะจะจะได้เยอะมากประโยชน์ปรับยชน์คนเยอะเท่า เฮ้ย<ช>ที่ ม, มองใจตึงก็เฉลยอะก็เหมือนกินอาหารเนี่ยโยมมีอาหารสิบชนิดเน่ยโยมจะกิน <c oughs> ชนิดเดียวให้เต็มท้องไปเลยแล้วจะกินกินอย่างนั้นนิดอย่างนัหน่อยก็ได้มันก็เต็มท้องเหมือนกั น, นท้องๆ้องมันก็มีปริมาณเท่านั้นรับรับอาหารได้ประมาณนั้ น, นะแต่จะเอาอาหารชนิดไหนนะสมมติว่า ถ้าอยากชอบอย่างนี้กินอย่างนี้อย่างเดียวก็ก็ได้มันก็ได้อาหารชนิดนี้เต็มท้องอิ่มเหมืน อ, อ, อมมนกันหรือ ว, ว่าจะกินอย่างนั้นนิดอย่างน่อยก็ได้ไ ด, ได้ได้สิบชนิดเข้าไปในท้องมันก็อิ่มเหมือนกันกินจะผักอย่นี้ก็ได้จะผักนะส่วนที่เลือกให้เลือกทําบุญกับคนก็เพราะว่าคนที่เราทํานี้มีความมีภูมิความรู้ต่างกัน คนที่มีพลงความรู้มากก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเราได้มากกว่าอันนี้เป็นบุญอีกกระทงหนึ่งอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นบุญจากผู้ที่เราไปทได้รับจากผู้ที่เที่เราไปทำบุญด้วยคือได้รับความรู้อันนี้ถ้าเราอยากจะได้ความรู้เราก็ต้องเลือกคนที่มีความรู้มากที่สุดถ้ามีอาจารย์ระดับปัญญาโทตีเอกเนี่ย<ม>คุณต้องไปทำกับอาจารย์ปัญญาเอกใช่ไห เพราะถ้าอยากจะได้ความรู้มากที่สุดก็เป็นทางนั้นเองแต่ถ้าไม่ต้องการความรู้เลยเพียงแต่ต้องการจะทำให้สบายใจให้ความสุขใจตีโตเองก็ได้หรือทำระดับป .1 ป .2 ก็ได้ไม่สาคัญ mm hmm. เช่นคนบางคนเขาไม่อยากจะมาถวายของให้พระถวายเสร็จเขาก็ไป mm hmm. เขาไม่มาฟังเทศ mm hmm. ฟังธรรม mm hmm. มาถามปัญหาอย่างนี้ mm hmm. ถวายที่ไหนก็ได้องไหนก็ได้ อย่างเมื่อเช้านี้ก็มีญาติโยมคนหนึงสามีป่วยนอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลอยากจะให้อัตมาไปรับสังฆทานที่โรงพยาบาลอัตมาบอกว่ามันสายเสียแล้วมันไม่เปิด ม, ม, มันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาเพราะถ้าเขาอยู่ในโคลมาเขาก็ไม่รูเรื่องแล้วถ้าถ้าเขาไม่สนใจย่ฟังธรรมะก็มันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร ถ้าสมมติว่าเขาไม่อยู่ในโคมา่าแต่ก็อยากจะถวายสังฆทานให้กับพระถวายรูปไหนก็ได้เราบอกถ้าเขาไม่ไม่ต้องการจะฟังธรรมะหรือฟังไม่รู้เรื่องเฮียไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็บอกเขาว่าวิธีที่จะปฏิบัติปฏิบัติกับคนตอนนี้ก็คือควรจะปล่อยให้เขาอยู่อย่างสงบดีกว่าอย่าไปรบกวนเขาอย่าไปไปทำให้เขาต้องมายุ่งยากกับเรื่องการทําบุญ การให้ทานนี้มันก็เป็นมันเป็นส่วนย่อยแล้วมันไม่พอกับความต้องการของเขาในขณะนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือความสงบหรือถ้าเขามีปัญญาสอนให้เขาปล่อยวางได้อันนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ถ้าเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะฟังรับรู้และเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็มาถามอีกประเด็นหนึงว่าบอกรบอกว่า รักษาไม่ไม่หายแล้วนะไม่ฟื้นแล้วแต่ตอนนี้มีพวกเครื่องหายจงหายใจได้อยู่เนี่ยเขามาถามว่าถ้ า, อ, าออกเราจะบาปหรือเปล่าเราบอกไม่บาปหรอกเราก็ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติแท่นั้นเองดีกว่าปล่อยให้เขาทรมานไปการที่เรามีเครื่องหายใจนี่เท่ากับเราไปยืดเยืดความทุกข์ทรมานของร่างกายของเาพราะหมอก็บอกว่าไม่มีทางที่จะรักษาให้พื้นหายได้ ที่เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนี้ก็เพื่ อ, เ พ, อเพื่อที่จะรักษาให้หายแต่มันรักษาไม่หายมีแต่ที่จะยืดความทุกข์ทรมานของร่างกายไปแล้วมีไว้ทำไ ม, ไมแล้วการถอดออกนี้ก็ไม่ได้เป็นการไปฆ่าเขาเพียงแต่ปล่อยให้เขาอยู่ตามสภาพตามธรรมชาติของเขาเหมือนกับเราอยู่ตอนนี้พวกเราก็ไม่ได้ใช้อะไรใช่ไหมที่ร่างกายของเรามันยังอยู่ได้ของเขานี่ถ้าถอดออกแล้วก็อาจจะ จะตายได้แล้วก็มีถามอีกประเด็นหนึ่งว่าสามีสั่งไว้ก่อนว่าเวลาตายไปแล้วอย่าเผาเพราะเขาไม่ชอบมันร้อนทีนี้ก็ารับปากไว้แล้วแต่เขามาที่คิดถึงว่าเมื่อไปฝังแล้วเขาจะเป็นภาระที่จะต้องไปไปไปหลุมฝังศพทุกปี <c oughs> เขากลัวเดี๋ยวเกิดติดธุระหรือไม่ว่างหรือไฟไม่ได้ เราก็บอกว่าถ้ารับปากเขาแล้วก็ต้องทําตามที่เรารับปากไว้เป็นเป็นสัจจะเราเราเสียสัจจะถ้าเราไม่ทําแต่ส่วนเรื่องจะไปหรือไม่ไปไม่สําคัญจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ถ้าคิดถึงเขาทําบุญกวดหน้าไปให้เขาจะดีกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่ามากกว่าที่ไปที่นั่งหุฝังศพเอาอาหารไปตั้งไว้เส้นอยู่สักชั่วโมงแล้วก็ามานั่งกินกันเองอันนั้นคนตายกับไม่ได้ประโยชน์อะไร ก็อบอกเขาอย่างนี้ก็บางทีก็ต้องอธิบายให้เขาฟังเพื่อเขาจะได้ะจะได้เข้าใจแล้วจะได้ไม่ไมหนักอกหนักใจหรือไม่ไปไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับตนเองโดยเปล่าประโยชน์ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเ ข, เ ข, เขาก็พอใจ คุณรีมาไม่ใช่เไม่เ็ไม่เห็นบางิเลบางิเลยเ็นววที่ทำได้ที่เคยส่งให้ได้ได้นี่เป็นเจตนาของเราไงเป็นเจเจตนาของเราถ้าเราไม่ต้องการให้ใครทำอะไรกับร่างกายของเราเราก็ทำได้ทคิดอยู่เัื่อพูดเรื่อง พอดีมีแม่ของเพื่อนคนหนึ่งขึ้นเขาโค ม, ม่าไม่ไม่เรียกว่าโคม่าแหลค่ะเป็นอัมพาตแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลยตอนนี้เราคิดว่ามันตัวตัวคนที่ที่เป็นทุกข์คือตัวลูกเขาก็ต่อพยายามต่อสู้ที่จะเอาแม่กลับมาให้ได้ตอนนี้เป็นเกิดความเครียดในใจมากเลยตอนนี้ค่ะก็ธรรมะที่ท่านอาจารย์ให้จะได้นำไปบอกเขาจริงๆพี้วแม่ แม่ก็เป็นคนปฏิบัติทํามมาเยอะก็แต่ว่าตัวเขา้าทุกข์มากเหลือกินความจีิวันนี้ตอนเช้าที่ได้พูดกับเขาเนี่ยได้ช่วยตัวคนที่เข้ามาถามปัญหามากกว่า <c oughs> เพราะคนที่จะตายนั้นมันมันช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วแต่คนที่จะตายนี่เขาพูดถึงถึงจะในขันเนี่ยขยับไม่ได้อะไรแต่จิตอาจจะทราบเช่หนหับก็มันมันทราบไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมั น, ม, นมันถูมันรับเสียงไม่ได้อี้ย มันจะไปทราบได้ไงแต่ถ้าหูได้ยินเลยแต่ขยับศีลดไม่ได้ก็ได้ยินดูก็อยู่ที่ว่าเขามีสติพอที่จะเข้าใจเสียงที่พูดได้หร <al> ือเปล่าพะบางทีเวลาที่เขาเจ็บมา ก, มากๆปวดมากๆนี่บางทีก็ไม่มีสติที่จะรับรู้อะไรไ <c oughs> อยู่ในสภาพที่ได้ว่าหลงเนี่ยหลงก็เหมือนกับคนหลับๆตืๆ่นๆนี่ ท่านถึงสอนว่าให้กุศลาตอนที่เป็นอย่าไปกุศลาตอนที่ตายหรือใกล้ตายเนี่ยมันไม่ทันการแล้วกุศลาก็คือสร้างธรรมะสร้างกุศลให้เกิดภายในใจให้มีปัญญาให้รู้จักปล่อยวางร่างกายร่างกายเราเนี่ยถึงเวลาเราจะต้องปล่อยเราปล่อยมันได้หรือเปล่าถ้าเราปล่อยได้แล้วเราจะสงบจะเย็นจะสบายเหมือนกับว่าเหมือนถึงเวลาที่เขาา้ามาทวงนี่เราไปเนี่ย เรามีเงินพร้อมใจ้ายเขา เ, เราก็สบายเอามาถึงเวลาเอาไปเลยร่างกายนี้ก็เป็นหนี้ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนเงินที่เราจะต้องคืนเจ้าของเขาไปร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของเราธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเขาให้เรายืมมาใช้ชั่วคราวพอถึงเวลาเขาเขามาขอคืนไปกายที่ที่เป็นผู้ที่ดูแลร่างกายนี้พร้อมที่จะปล่อยเขาไปหรือเปล่า ถ้ามีธรรมะก็พร้อมที่จะปล่อยเพราะรู้ว่าถ้าไม่ปล่อยยิ่งมันจะร้อนจะทุกข์ทรมานใจขึ้นมาถ้าปล่อยแล้วมันจะเย็ น, นจะสบายมันจิตมันจะดิ้งเข้าสู่อุเบกขาอย่างเดียวสบายไม่แบกไม่ไม่หนักอกหนักใจแต่ถ้าอยากจะเก็บไว้อยากจะอยู่ไปนานๆ น, น, นี่โอ้ตอนนั้นมันจะทุกข์ทรมานใจมาก ก็เหมือนสมมติใครมาขอของที่คุณรักไปดูสิแล้วเวลาเขามาเอาิงจริงเนี่ยจใจจะรู้สึกยังไงถ้ายอมให้เขาไปนี่ก็ อ, อ๋อโล่ง อ, อกเลยถ้าไม่ยอมโอ้โหมันก็จะว้าวุ่นขุ่นมัวทุกทรมานใจนการทำบุญให้ทานนี่ก็เป็นการฝึกคืนของต่างๆที่ไม่ใช่ของเราให้คนอื่นเข้าไป เงินทองเข้าขอ ง, งต่างๆไม่ใช่เป็นของเราเตอนนี้เรามาฝึกปล่อยวางกัน <c oughs> ถ้าเราให้ได้อย่างสบายเวลาต่อไปเวลาพัดภาคจากกันก็จะไม่เสียดายแต่ถ้าเราไม่ให้เลยวหวงเก็บไว้อย่างเดียวเก็บไว้อย่างเดียวเวลาถึงเวลาจะต้องพัดภาคจากกันนี่มันจะทุกข์ทรมานใจมากใจจะไม่สงบ นี่ย่างคนป่วยเอาเชื้อธรรมะไปเปิดให้ฟังหรือว่าเอาบทสวดไปเปิดให้ฟังให้ฟังเนี่ยเป็ได้ประโยชน์เลก็ตอนที่เขาไม่ป่วยเขาฟังเขาเปล่าใช่ไหมตอนเขาไม่ฟังแล้วตอนที่ป่วยเขาเขาจะฟังหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวเขาถ้าเขาอาจจะฟังก็ได้เพราะเหมือนคนจนตรอกอย่างที่เมื่อกี้คุยกับคุณคุณโยมบอกว่าคนเราถ้ามันไม่จนตรอกบางทีมันก็ มันก็ไม่สู้มันก็จะไม่เอามันก็จะไม่หาที่พึ่งแต่พอเราคนเราใกล้จะตายเนี่ยมันมันรู้ว่าไม่มีอะไรกันที่พึ่งนอกจากธรรมะ<ส>ก็อาจจะตั้งใจฟังได้แล้วก็อาจจะบรรลุได้ด้วยอย่างเช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บรรลุเจวันก่อนจะเสด็จสวรรคตตอนนั้นท่านทรงบัญ ช, ชวลหนักพระพุทธเจ้าก็เลยไปปรึกก็เอาธรรมะไปพูดเนี่ยไปสอนอย่างเนี้ยสอนบอกว่าร่างกายไม่ใช่ ของท่านนะร่างกายนี้เป็นของดินน้ําลมไฟของท่านต้องสละแล้วต้องคืนเข้าไปแล้วต้องปล่อยแล้วพอท่านฟังได้เขาเข้าใจทําได้มันก็ทําใจได้มันก็จะบรรลุทําได้ทำให้ทำให้ปล่อยวางได้เราบางทีไม่รู้มาก่อนว่ามันไม่ใช่ของเราเนเราอยู่ดีๆวันดีขึ้นดีเข้ามาบอกไม่ใช่ของเรา เหมืเราไปคลอดลูกที่โรงพยาบาลแล้วก็สาสับลูกเราไปเอาลูกคนอื่นมาให้เราอย่างนี้ในอีกสิปีต่อมาเขามาบอกว่า เ, เด็กคนนี้ไม่ใช่ของคุณนัเนี่ยสลับกันคุณพร้อมจะให้เขาคืนไปให้เขากลับไปสู่พ่อแม่เดินมองเขาหรือเปล่าใช่ไหมถ้าคุณพร้อมถ้าคุณยอมรับความจริงว่าเขาไม่ใช่ลูกของเราเราจะเก็บเขาไว้ทําไมให้เขากลับไปหาพ่อแม่เขาไม่ดีกว่าเลย พระพุทธเจ้าท่านก็มาบอกเอาข้อมูลความจริงมาบอกพวกเราว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยเป็นของที่เรายืมมาจากดินน้ำมีไสเดี๋ยวเวลาที่จะตายนี่ก็เป็นเวลาที่เขามาขอเอาคืนไปแล้วเราพร้อมที่จะให้คืนเข้าไปหรือเปล่าถ้าเรารู้ไม่ใช่ของเราเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วมันโยนไปยืมรถของใครมาขับเนี่ย พอถึงเวลาโยมก็รู้ว่าต้องเอาไปคืนเขาละแต่ถ้ายืนมาแล้วติดใจไม่อยากมาคืนนี่เวลาก็มาทวงคืนเดี๋ยวก็ก็จะต้องเสียใจก็จต้องก็อาจจะต้องทะเลาะวิวาสกันเนี่ยเรื่องอาจจะเอาไปซ่อนไปที่ไหนก็ไม่รู้นนนคมมมีถาาาาาาอยู่่ใจจก้วเทรคือ มีเพื่อนเนี่ยตอนใกล้จะเสียชีวิตอย่งเมืี้เราพูดถึงเรื่องแบบนี้นะคะเขแทนที่ให้ฟังธรรมะนะฮะค่อยทังฟังเพลงคลาสสิกแบบบิจิตอลอะไรเนี้ยก็เขาบอกจะทำให้จิตสงบแล้วก็แล้วก็จะได้นิ่งอะไรเงี้ยมันจะก็ได้ก็เป็นการทําสมาธิไปไงคือการไม่ให้จิตใจเข้าไปคิดปรุงแต่งอแต่่แตปัญหาคือบางทีฟังเพลงพวกนี้มันมีอารมณ์มีสัญญาอารมณ์มันมีเรื่องเหตุ อ๋อถ้าไม่รู้เสียงตัวฟังไปก็ไม่เกิดประโยชน์ฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกับให้คนหุ้นออกตาบอดคุ้นออกฟังมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเอเขาไม่รับรู้เสียงก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรช่วยอย่าไปให้เขาฟังดีกว่าแต่ถ้าเขายังพอรับรู้ก็ยังก็ยังก็ยังก็ยังได้แต่จะสงบไม่สงบนี่มันมันมัไม่แน่เงเพราะเสียงเพลงนี่มันมันอาจจะปลุกอารมณ์ให้ขึ้นมาได้ บางทีฟังเพลงแล้วคิดถึงความหวานชื่ น, วนความหวานหวานของในอดีตหรือความขมขื่นก็ได้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการแต่ตอนนั้นทุกขเวทนาไม่ได้สั่ไม่ออกใช่ไหมคะตอนที่ติดจะออกจะว่างโคม่าเนี่ยน่าจะมีความทุกขเวทนาคือเวททุกขเวทนาไ ม, ไม่เป็นปัญหานะ ป, ปัญหาเป็นอยู่ที่ทุกในอริยสัจ4ี่พยากรณทุกขเวทนานี้บางที อาจจะไม่รับรู้ก็ได้แต่ตจจยยแต่ทุกนี่อาจจะทุกมันอยู่ในจิตไงทุกมันอยู่ในใจมันไม่ได้อยู่ในขันไม่ได้อยู่ในร่างกายทุกที่เกิดจากความไม่อยากตายไอ้ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะสร้างความความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ของทางร่างกายที่เราปฏิบัติกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการดับความทุกข์ในอริยสัจสี่ทุกข์ในจิต ไม่ใช่ทุกข์ในในในขันในร่างกายทุกข์ในขันนี้ไม่เป็นปัญหาอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกพระอรหันต์ี้ท่านท่านนิพพานได้อย่างสบายท่านตายได้อย่างสบายเพราะว่าท่านไม่มีทุกข์ในอริยสัจสีไม่มีทุกข์ในจิตทุกข์ในกานนี้เมื่อเปรียบเทียบกับทุกข์ในจิตก็เป็นเหมือนน้ำในตุ่มกับน้ำในมหาสมุทรเข้าใจไหมเพราะว่า ในจิตของท่านนี่มันมันเป็นความสุขดังนั้นความทุกข์ของร่างกายถึงเป็นเหมือนปริมาณน้ําในตุ่มนี้มันไม่มีน้ําหนักที่จะไปสู้กับความสุขที่ขนาดน้ําในมาหาสมุทรได้เพราะฉะนั้นจิตของผู้ที่บริสุดหรือผู้ที่เข้าฌานสมาบัติได้เนี่ยจะไ ม, ไม่ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายพวกที่ พวกที่เขาได้ฌานสมาบัติเวลาเขาจะตายเขาก็เข้าฌานกันไปพวกที่เป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์ก็ไม่ต้องเข้าฌานก็ได้เพราะจิตของท่านไม่สร้างไม่สร้างทุกข์ในอริยสัจ ส, สีให้เกิดขึ้นจิตของท่านก็เพียงแต่รับรู้ค ว, ความเจ็บปวดของร่างกายไปอยูด่ด้วยกันได้ไม่เดือดร้อนต่างฝ่ายต่างอยู่ ในสิ่งที่เราต้องการทําก็คือต้องการทําให้ใจเรานิ่งสงบไม่ผลิตทุกข์ในอริยสัจสีขึ้นมาคือต้นต้องต้องลาดความต้นเหตุของทุกข์ในอริยสัจสีก็คือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาในขณะที่ตายก็ก็คือตัวไม่อยากตายนี่แหละเป็นตัวสําคัญ ถ้าไม่มีถ้าถ้ายังไม่อยากตายขึ้นมาเกิดขึ้นมามันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้ายอมรับความจริงว่าตายก็ตายไม่เกิดความกลัวตายไม่เกิดความอยากอยากไม่ตายมันก็จะไม่มีความทุกข์ใจความเจ็บปวดของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาอะไร ความจริงมันมีสองความไม่อยากตายแล้วก็ความไม่อยากเจ็บสองตัวนี้เวลาเวลาเจ็บก็ต้องอย่าไปเกิดความไม่อยากเจ็บขึ้นมาเวลาจะตายก็อย่าไปเกิดความไม่อยากตายขึ้นมาแล้วมันจะไม่สร้างความทุกข์ในอริยสัจ ส, สีขึ้นมาในใจก็ต้องฝึกเนี่ยเวลานั่งแล้วเจ็บเราก็อย่าพกพิ่งลุกเราหันกลับเข้ามาทาใจของเราให้นิ่งอยากไปอยาก อยากให้ความเจ็บหายไปหรืออยากอยากจะหนีจากความเจ็บไป <c oughs> พอเราชนะความอยากนี้ได้แล้วจิตก็จะสงบเป็นอุเบกขา <c oughs> แล้วความทุกข์ใจก็จะหายไปแล้วความทุกข์กายก็จะรู้สึกว่าเป็นเหมือนเข็มฉีดยา <c oughs> นิดเดียวแตเมื่อเวลาหมอบอกจะฉีดยาทีนี้มันทุกข์ขึ้นมาก่อนนะ <c oughs> มันทุกข์รุนแรงยิ่งกว่าเข็มฉีดยา แล้วพอฉีดจริงเข้าไปจริงๆก็เท่านั้นเองนิดเดียวนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ที่ขันขันมันเป็นธรรมดาคือขันห้านี้เป็นธรรมดาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมด awe ทนาก็มีสุขเขเวทนาทุกเขาเวทนาไม่สุขไม่ทุกเขาเวทน า, ท า, เ, ทนาเราก็สลับกันไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ใจรับยูได้ทั้ง3ส่วนนี้แต่ใจมีกิเลสก็เลยไปเกิดความความรักความชังในสุขเวทนาในทุกขเวทนาขึ้นมาไปรักสุขเวทนาไปเกลียดทุกขเวทนาก็เลยทําให้เกิดตัณหาขึ้นมา mm hmm. เกิดความอยากอยากสุขอย่างเดียวไม่อยากทุกข์ mm hmm. ก็เลยไปสร้างทุกขในอริยสัจสีขึ้นมาซึ่งเป็นทุกระดับน้ําในมหาสมุทร ส่วนทุกในในเวทนาในขันนี่เป็นเหมือนน้ำในตุ่มน้ําน้ําหนักมันต่างกันมากนั้นถ้าเราสามารถดับทุกในระดับของง้ำในมหาสมุทรได้ทุกในน้ําในในตุ่มน้ํานี่ไม่เป็นปัญหาเลยเข้าใจหรือยังเหมือนไม้จิ้มฟันกับตะบองอย่างเงี้ยเอาไม้จิ้มฟันเคาะหัวกับเอาตะบองเคาะหัวนี่อันไห น, นอันไหนมันจะเจ็บกว่ากัน แล้วก็ทุกในไ ม, มน้ทุกขนาดไม้จิ้มฟันนี่เราเราไปไปบังคับไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้แต่ทุกระดับไม่ตะบองเนี่ยเราเราเราเราเปลี่ยนแปลงมันได้เราหยุดมันได้แต่เราไม่หยุดกันเพราะเราไม่เจริญสติเราไม่นั่งสมาธิเราไม่พิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาไตรักอันนี้แหละเป็นเป็นเครื่องมือที่จะหยุดความทุกข์อันใหญ่หลวงได้ ส่วนความทุกในเล็กๆน้อยๆของร่างกายนี้เราไปไปหยุดเปนไม่ได้มันต้องเป็ดปตามวาระของเขานียฮะทุกในมหาสมุทรที่ท่านจะว่าไม่ต้องผิดขั้นไหนนะฮะขั้นไหนไก็ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปนะพระโสดาบันนี้ก็ต้องผ่านพระโสดาบาันก็ต้องผ่านความกลัวตายความกลัวเจ็บไปให้ดาาได้ นี่ได้ยาทุกทกไม้จิตฝันที่ต้องขั้นสดามันเนาะค่ะฮะอ๋อแม่ทุกไม้จิตฝันนี่มีอยู่กับทุกคนในร่างกายคนทุกคนกันแต่พอไม่มีทุกในไม้จิตฝันแล้วเราไปสร้างทุกในระดับมหาสมุทรขึ้นมาเองเพราะกลัวความเจ็บเนี่ยเหมือนหมอบอกหมอให้ฉีดยาปั๊บเนี่มันไปสร้างในในทุกมหาสมุทรขึ้นมาในใจเราละไอตัวนี้เราเราหยุดมันได้ถ้าเรามีสติสมาธิปัญญาเราหยุดเราเบรกมันได้ แต่เราไม่มีตอนนี้พอร่างกายเจ็บขึ้นนิดใจนี้ทุกขึ้นมาใหญ่เลยเข้าใจไหม mm hmm. คนที่ไม่สบายแล้วไปหาหลองตาอย่างคุณภาวังงานเนี้ไปก็เพื่อที่จะไปดับไอความทุกข์ใจเขาไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจหลวตาก็บอกถ้าจะไปก็อย่าไปกังวลกายทุกข์กายไม่ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือเอาเอาหมงเอาหมอเอาอะไรไปนะไปแต่ตัวเปล่า หรือเอายาที่ต้องกินไปเท่านั้นเองแต่ยาเอาเครื่องอะไรต่างๆไปเพราะมันเป็นความทุกข์เล็กน้อยท่านว่าความทุกข์สำคัญมันอยู่ที่ใจต้องไปเอาธรรมะมาดับไอความทุกข์ตัวนี้ต้องเจริญสติอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งอยากให้หายอยากอยากให้ไม่ตายเนี่ยมันคิดอย่างนี้มันก็จะผลิตไอไอทุกในมหาสมุทรนี้ขึ้นมา ต้องทำใจให้เบนดิง้งให้มันว่างให้มันสงบอยู่ตลอดเวลาหรือทาให้มันตรงให้ได้ยอมรับว่าตายเป็นตายเจ็บเป็นเจ็บเนี่ยก็พูดมาตั้งเกือบเจปีแล้วเนี่ยเ <laughs> พิ่งได้ข้อสงบวันนี้นะโอ้ <laughs> <laughs> ก็ยังดีไปสายเกินไป <laughs> ตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติได้แล้วนะใช่ไหม <laughs> เรต้องรอให้หมอบอกว่าเหลือหกเดือนวคนเราถ้าไม่จนตอกมันไม่ไปหามันไม่ปนไม่หาหาที่พึ่งเนีมันจะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยอ่ะมันไม่ได้ดังใจเลยนะถ้ามันไม่ดัใจมันก็ คนป่วส่วนใหญ่ก็เข้าใจว่าคัามเจ็บป่วยปังเจ็บเบนี่ยเจ็บไปที่กายไม่ใช่ที่ใจยึดติดว่ากายธรรมดาที่หนึ่งเจ็บใช่จเรื่องของใจไ ม, ไม่มีไม่มีใครรู้หรอกถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติจะคิดว่าทั้งหมดอยู่ที่รวมอยู่ที่กายนี่ยจะทุ่มเทชีวิตจิตใจไปเพื่อแก้ปัญหาที่ร่างกายในอย่างเดียวทั้งที่กระใจนี่ทุกอยู่ตลอดเวลากับไม่มองไม่เห็นกัน พรเราหลงไเราไปอาศัยมันเองเราหลงมันหลอกให้เรา<ช>ไปายยเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้ศึกษาอย่างอย่างทองแท้อ่าแล้วก็ไม่เข้าใจที่ท่านบอกรูปังอนัตตานี่ก็ไม่เข้าใจความหมายว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราไอ้เป็นยังไงจำไหมมันเป็นของเรามาตั้งแต่เกิดเนี่ยใช่ไหมเราก็คิดอย่างนี้กัน เราไม่รู้ว่าผู้ที่ว่าเป็นเราไม่เป็นเรานี้ไม่ไม่ใช่เป็นร่างกายอยู่แล้วเราไปคิดว่ามันเป็นร่างกายเป็นผู้คิดแม้กรทั่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ยังคิดว่าจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาไม่ได้คิดว่าเป็นสองส่วนกันมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่า น, นั้นที่ทรงรู้ได้ด้วยพระ อ, องค์เอง หลังจากที่ทรงปฏิบัติอย่า ง, างแบบว่าอุกฤษในขนาดยอมอดพักกายาหารทั้ง49วันที่ว่ากิเลสเอามาจากร่างกา ย, ยาถ้าเราเราไม่ทำไม่ให้ร่างกายละปะทานานกิเลสมันก็ต้องตายแต่49วันแล้วกิเลสมันยังไม่ตายแต่ร่างกายมันจะตายแล้วก็ทร <ect. S 2> งเลยรู้ว่าออมันไม่ได้อยู่ที่ อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจนั้นก็ต้องมาแก้แก้กิเลสด้วยการภาวนาด้วยสมถะและวิปัสสนาภาวนา mm hmm. ในกรณ์นั้นเราได้ส่งตัดสรู้นะ mm hmm. พอย้อนกลับมาม า, ม า, ม, ามาจุดที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือที่ใจก็ทรงเห็นอริยรรสัจสีที่ทรงตัดสรู้กับตสรุที่อริยรรสัจสี่นะี้ที่ พระทัยของพระ อ, องค์ทุกข์ก็เพราะว่าความอยากของพระ อ, องค์เอความอยากก็คือกิเลสแล้ววิธีที่จะดับกิเลสก็คือใช้สติสมาธิปัญญานี้เองไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านั้นพอมีสติปัญญาคุมเอาชนะกิเลสตัณหาได้ก็จบมันเป็นการต่อสู้ระหว่างความคิดสงฝ่าย ความคิดที่ถูกกับความคิดที่ผิดนี่เองพอความคิดที่ถูกมาทำลายความคิดที่ผิดได้มันก็ไม่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาความคิดที่ผิดนี่เป็นตัวที่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไม่มีความคิดหรือความเห็นที่ผิดนี่แล้วมันก็ไม่ผลิตความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราสามารถมองร่างกายของเราเหมือนเราลองร่างกายของคนอื่นได้เราก็จะไม่ทุกข์ใช่ไห ร่างกายคนอื่นก็เป็นอะไรเราทุกข์กับเขาเปล่าใช่ไหมก็ร่างกายของเราไม่ใช่ของเราจริงๆเหมือนกับของคนอื่นเแต่เราไม่มองอย่างนั้นเรายังมีความเห็นผิดอยู่ยังเห็นว่าเป็นของเราอยู่นั่นเองวิธีที่จะตามที่จะมองให้เห็นก็ต้องเข้าไปในอุเบกขานนัพอเข้าไปในอุเบกขาแล้วทุกอย่างมันไม่เป็นของเราทั้งนั้นจิตมันจะแยกออกชั่วคราว แต่มันอุเบกขาชั่วขราวถ้าเป็นสมาธิแต่พอพอมันได้สมาธิแล้วทีนี้มันรู้แล้วว่าจุดยืนของจิตก็คือจุดอุเบกขานี่เองพอออกจากสมาธิแล้วก็ต้องใช้ปัญญาประครับประคองไว้ด้วยการไม่ยึดไปติดว่าอะไรเป็นของเราพอยึดติดปั๊บมันจะออกจากอุเบกขาทันทีมันจะวิกตกกังวลจะห่วงจะอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นขึ้นมาทันที แต่ถ้าของที่ไม่แข็งไปของเรานี่เราไม่ไปวิตกกังวลไปอยากไปห่วงใช่ไหมเราก็ต้องใช้ปัญญาบอกอเฮ้ยร่างกายนี้ก็เหมือนกับร่างกายของคนาเลยนะถ้าเราไม่ห่วงร่างกายของคนอื่นเราก็ไม่ต้องห่วงร่างกายนนะมันเป็นเหมือนกันสมมติว่าเเท่ากับบแล้ว b ีเท่ากับซเนี้ยแสดงว่า C ก็ต้องเท่ากับ A ใช่ไห ม, มนี่หลักคณิตศาสตร์หลักหลักตรรกะเป็นอย่างนี้เมื่อร่างกายของแป้นไม่ใช่ของเราร่างกายของเรานี่ก็ไม่ใช่ของเราเหมือนกัน ถ้าเราไม่วิตกกังวลกับร่างกายของแฟนเราก็ไม่ต้องวิตกกังวลกับร่างกายของเราก็เท่านั้นเองก็จบและใจก็จะสบายไปตลอดเวลาคิดตามตามไม่ได้เพราะกิเลสไม่ยอมทำตามไงก็ต้องหยุดไงต้องหยุดกิเลสไงก็ต้องนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิก็จะหยุดกิเลส ก็จะเป็นยากนะเพราะความเพราะความปลูกทันมั่งมั่นทุกอย่างมันมันเป็นนิสัยเนี่ยมันติดฝังปลูกฝังมาเป็นนิสัยมันก็โยมถนัดมืออะไรถามจริงๆอ่ตอนนี้ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาเอให้ใช้มือซ้ายได้ไหมแทนมือขวาไม่ใช่ถนัดนั่นสุดท้าแต่ว่าไม่ไม่ดีแต่สมมติถ้ามือขาแขนขวาขาดไปนี่ทําไงใช้มือซ้ายได้ไหมก็ต้องต้องตงได้อยู่ดีใช่ไหมก็นี่ก็เหมือนกันเน่ยเราถนัดยึดติดไงเราถนัดมองว่ามันเป็นของเรา เราไม่ถนัดมองว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแต่ถ้าเรามาฝึกบ่อยๆคิดบ่อยๆว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วก็ทําตามที่เราคิดปล่อยวางมันปล่อยวางมันเรื่อยๆต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยกันหน่อยเองเป็นที่มันยากแล้วก็อย่างเป็นการฝึกการใช้ฤทธิ์เพื่ออะไรทำนี้ทำนี้ก็เป็นห่วงเป็นมันจะมันจะไม่หนักกว่าความความความเห็นที่ว่าความห่วงนี่มันเป็นตัวกัดก่อนจิตใจเราต่อไปถ้าเราเห็นว่ามัน เราเราทุกข์ทรมานเพราะว่าเราไปยึดติดกับเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องพวกนี้ต่อไปเราก็จะตัดไอ้เรื่องพวกนี้ออกไปได้เพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์ทรมานใจกันแต่ตอนนี้เราไม่เห็นความทุกข์ทรมานใจของเราเรากลับไปมองไอ้เรื่องสายเลือดเรื่องตัวเราของเราเนี่ยมันจนจนจนมองข้ามความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการยึดยึดติดอยู่กับเรื่องเงาเหล่านี้ แต่ถ้าเราสามารถทำใจของเราให้สงบได้เพียงครั้งเดียวเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างความสงบกับความความวุ่นวายใจที่เกิดจากการไปกังวลกับเรื่องสายเลือดเรื่องของเราของเขาเนี่มันก็จะทำให้เราเห็นโทษของความเห็นของเราทันทีแล้วต่อไปเราจะเราจะตัดไอความเห็นเหล่านี้ออกไปได้เพราะเราจะรู้ว่าไอนี่เป็นต้นเหตุที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ต้องปฏิบัติถึงจะเห็นถึงจะรู้ถึงจะรู้ว่าอ๋อความรู้ทั้งหมดที่เรารู้นี้เป็นความรู้ที่ฆ่าเราทั้งนั้นที่สร้างความทุกข์ให้กับเราทั้งนั้น mm hmm. มันไม่ได้เป็นความรู้ที่ทำให้เรามีความสุขเลย mm hmm. เพราะมันเป็นความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัว mm hmm. ต้องเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาถึงจะถูก mm hmm. สัมมาทิฐิ สเพธมานัตตาสเปสร้างฆารานิจจะสเปสร้างฆาลาทุกขานี่แหละความเห็นที่ถูกต้องต้องเห็นแบบนี้ต้องปฏิบัติงนะ่ะต้องปฏิบัติมันถึงจะเข้าถึงความจริงได้ ตอนนี้เราเหมือนกับเราดูอยู่ฟากนี่ความจริงอยู่ฟางนั้นสิ่งที่มันขวางเราอยู่ตอนนี้ก็คือแม่น้ําที่เราต้องไหวแต่เราไม่ยอมไหวกันกลัวจมน้ํากลัวเปียกกลัวเหนื่อยเหมือนกัอาจารย์รู้แล้วนะครว่าเออไปเป็นยังไงไม่ยอมมาบอกแต่ว่าพวกเราไม่ได้ไม่ยามลงน้ําักทีเนี่ยไม่ยามไปอยู่จำพรรษาเนี่ยใช่ไหม S <S <S ยังติดอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้อยู่ต้องตัดหมดนะรูปเสียงกลิ่นรสลาบยศสรรเสรินพวกนี้เ็าเรียกว่าเป็นบ่วงเป็นบ่วงที่ผูกให้เราไม่สามารถที่จะข้ามไปฝากนี้ได้ความติดสุข กับความกลัวความทุกข์ยากลำบากเนี่ยเป็นเป็นตัวอุปสรรคแต่เราต้องคิดว่ามันเป็นเหมือนกับการผ่าตัดเนี่ยผ่าแล้วมันหายถ้าไม่ผ่ามันก็เจ็บไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยไม่มีวันหายแต่ถ้าเรายอมเจ็บยอมให้ก็ผ่าหน่อยแล้วพอแผลหายแล้วทีนี้ก็หายไปตลอดเลยไม่มีความเจ็บเลยกลับมาอีกยาวอยังไง จะยอมเจ็บอย่างนี้ไปไเรื่อยๆเพมือมีมีเสี้ยนมีหนามตาเท้าอยู่เนี้ยก็เดินยอมเจ็บมันไปหรือว่ายอมให้หมอเขาบง่บงบ่งหนามบอกบงออกแล้วมันก็อาจจะเจ็บอีกวันสองวันนะพอแผลหายแล้วทีนี้ก็สบายแล้วการปฏิบัตินี้ก็อย่างที่พระเจ้าทรงทรงทรงับประกันไวน้แล้วเจ็บอย่างมากก็ไม่เกินเจ็ปีเทานั้นเอง ถ้าเก่งถ้าฉลาดมีมีบุญมาเราจมีเยอะก็เจ็ดวันเท่านั้นเองแต่ต้องเจ็บนะทุกคนต้องเจ็บถึงจะหาย ม, มีปัญหาอนะไรั้ย เพร่ันตอนนี้พยายามฝึกตายกันให้ได้นะฝึกตายฝึกเจ็บกันให้ได้เอาสองข้อนี้ก่อนนะพยายามพยายามหัดอยู่กับความเจ็บเวลาเจ็บก็ใช้สมาธิใช้ธรรมโอสถแทนอย่าไปหายากินไม่ต้องหายาแก้ปวดมารับประทานลองลองนั่งสมาธิแทนดูนั่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่างหลวงปู่มั่นตอนที่ท่านปวดท้องมากๆตอนทุนั่งก็หายาต้มกินกินยั ง, นนไงไๆก็ไม่หาย ที่สุดทั้งก็เลยโยนโ ย, ย, ยนยาทิ้งหมดเลยนั่งสมาธิเข้าฌานไปแยกกายแยกกายออกจากเวทนาออกจากกิตจิตรวมลงเข้าสุ่สมาธิพอออกจากสมาธิออกมาปั๊บหายไปหมดเลยโลกเพราใจมันมั น, ม, น, ม, นมันไม่ไปปรุงแต่งคืออาจจะโลกยังอาจจะมีอยู่เจ็บบ้างนิดหน่อยแต่มันไม่มามารบ ก, กวนใจเพราใจไม่สร้างความทุกข์ อันใหญ่โตขึ้นมาหรือบางทีโรคภัยบางอย่างนี่มันเกิดจากความเครียดของใจเองไปสร้างมันขึ้นมาพอใจสงบแล้วโรคที่มันเกิดจากความเครียดนี่มันก็จะหายตามไปพยายามนั่งไปเวลาเจ็บก็พยายามพุโทโธพุโทโธให้มันถี่ไปเลยบอกเป็นฝากตายไว้กับพุโทโธบอกจะไม่ยอมลกยยอย่าย้อนให้มันตายไปกับความเจ็บนี่แหละ ถ้าไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตายก็ขอให้มันสงบตัวลงปล่อยผ่านความเก็บนี้ไปให้ได้มันต้องทำนี้มันถึงจะผ่านไปได้ถ้าไม่บังคับใจเราแล้วมันมันจะเดี๋ยวจะหาหาหาเรื่องเอเอาไว้ก่อนหนังวันนี้ยังไม่ไหวขอขอผัดไปก่อน <laughs> ในที่หลวงตาท่านนั่งทั้งคืนท่านท่านตั้งศัจดิ์สิทธิเวลาท่านบอกจะมีข้อแม้อยู่เพียงข้อเดียวหรือ2ข้อคือคือถ้ามีอะไรในวัดมีมีเหตุฉุกเฉินในวัดที่ต้องการต้องการความช่วยเหลือกนันนี่ท่านก็จะออกมาเป็นเพื่อนด้วยเพื่อนพระด้วยกันไม่สบายเจ็บไายได้ป่วยอะไรที่เราช่วยไปดูแลกันครูบาอาจารย์หรือไฟไหม้วัดหรืออะไรอย่างนี้ต้องไปช่วยกันดับ แต่ถ้าเรื่องปวดท้องอยากจะเข้าห้องนุ่งห้องน้ํานี่ท่านจะไม่ให้มันเป็นเหตุให้ท่านลุกจากการนั่งภาวนาไปถ้ามันจะปวดมันจะถ่ายกันมันถ่ายตรงนั้นแหะองั้นเดี๋ยวนั่งไปเดี๋ยวเดียวมันจะหาเหตุลุกลุกจดได้ลูกคนนั่งไปแค่ที่จะไม่บันทเฉยๆก็ไม่มีอะไรเพรนั่งปั๊บเดี๋ยวคันนั่นเดี๋ยวมดมากลับเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยมันขัดไปมันคันก็ปล่อยมันคันไป เราก็พุโทโธของเราไปเรามีหน้าที่ทําพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวอย่างเงี้ถ้าเรามีความแน่วแน่มันจะพุโทโธนี่แหละจะเป็นตัวที่พาเราไปสู่ความสงบได้แต่ถ้าเราออกจากพุโทโธปั๊บเนี่ยมันเสียหลักเนีมันจะมันจะเผลอละบางทีแบบเฮ้ยมันคานๆอะไรเพราะเขาคันก่อนแล้วเดี๋นี้ก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้มันก็มันก็เสียสมาธิมันขาดตอน มันไม่ทำอย่างต่อเนื่องใจมันแกว่งไปแกว่งมาต้องให้มันอยู่กับงานชิ้นเดียวอารมณ์เดียวให้เป็นหนึ่งให้ได้ทำปไปเถิดนะยากหรอกขอให้เอาจริงเอาจั ง, งนั้นเองเอแบบว่าเป็นเอาเป็นเอาตายกับมันเลยยอมยอมตายไปกับผู้โทรเนี่ย ให้มันขาดใจตายไปก็พูดโท้เลยใช่นลยเวลานั่งเนี่ยเวลาที่ลูกนั่งเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่ามันจะมันจะปวดมากเลค่ะพอจากนั้นลูกบอเออเดี๋ยวก็มันก็หายเองเนี่ยแล้วก็หายเนี่ยมันก็เวียนอยู่อย่างนี้เรเ่อยๆก็อยากว่าถ้าถึงว่านานสุดๆเ่ยมันจะเจ็บหนักขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะยังไม่ได้ลองถึงตรงนั้นเลยค่ะแต่มันก็จะหายหายแล้วก็ก็กลับมาใหม่ ก็เทนของตาท่านแสดงว่ามันมีต้งสามสามระดับระดับหนูระดับหูแล้วระดับช้างอะไรเนี่ยมันสามตัวนี่นั่นถ้านั่งไปเรื่อยๆไม่ลูกเนี่ยตัวแรกดับไปพอเกิดขึ้นมาระดับไปแล้วเดี๋ยวตัวที่สองก็เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ถ้าผ่านไม่ได้ก็จะไปเจอเจอตัวที่สามเนี่ตัวที่สามนี้ก็ท่านก็บอกว่าเป็นเหมือนช้างเนี่ยก็อวัยวะทุกส่วนยพวก ร่างกายทุกชิ้นรู้สึกว่ามันจะระเบิดออกไปมันเจ็บปวดในระดับนั้น ถ, ถ้าจหมายความว่าถ้าผ่านระดับที่สามไปแล้วก็จะ<อ>ไม่มีความปวดแล้วไม่หรอกมันจะไม่มันจะไม่มีความกลัวความปวดมันจะไม่กลัวไงนะอมันก็จะไม่มีความทุกข์ใจแต่ว่าความปวดก็ยังมีอยู่อ่ า, า, า, าจะจะรับกับมันได้ไหมใจเป็นอุเบกขา ท่นที่ช้างที่กว่าจะไปนี่มันเป็นงานแค่ะสี่ห้าชั่วโมงไปแล้วสี่ห้าชั่วโมงอ่าสี่ห้าชั่วโมงผ่านแล้วแต่ถ่าบอกเวลามันลงมันก็ลงนึกเต็มที่เลยที่ทานอารนั่งนานถึงไม่ิ่ย แชอบถามคำถามที่ตอบไม่ได้อาจารย์ไม่ถามแับนี้ครับจารย์ความเจ็บปวดของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันจริงไหมว่าสุดสุดมัเท่าไหร่มันน่าจะเหมือนกันนะเพราะร่างกายมันเหมือนกันแต่ความทุกข์ทรมานใจนี้มันไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่ามีความความกลัวมากน้อยเพียงใดกลัวมากมันก็จะทุกข์ใจมาก ถ้ากลัวน้อยมันก็จะทุกข์ใจน้อยแต่ความเจ็บปวดของร่างกายนี้มันเหมือนกันอย่างก็ลองนั่งดูเฉยๆจะรู้ต้องไปต้องไปเจอมันเองชั่วโมงรู้ไหมว่าชั่วโมงอยู่ในประมาณสามชั่วโมงก็ยังพอไหวอยู่แต่ว่าจากนั้นยังไม่ชราก็จะหวไหมก็ข้อสําคัญก็คือขอให้เรานั่งแล้วเรา ทำใจให้นิ่งเฉยได้ไม่ไปวันไหวตอนนี้ใจมันจะคิดอยู่อย่างนี้ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมก็หายจะคิดอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่ได้ไปจังวลกับตรงนั้นออครับถ้ามันหายได้อยู่กับมันได้ก็คิดอย่างนั้นไปเรื่อยๆก็ทำไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นผลทําให้ใจแล้วนิ่งสงบปล่อยวางได้ก็แล้วว่ามันก็เป็นอุบายของเราไปหรือบนความจริงมันต้องคิดอย่างนี้ว่ามันหายก็ได้ไม่หายก็ได้ ว่เราไปคิดว่ามันหายแล้วเกิดมันไม่หายแล้วมันจะเกิดความทุกข์ใจขึ <c oughs> ้นมาตอนี้มันหายอยู่คือว่าเราใครจะไม่หายก็ต้องต้องต้องพูดแบบว่าหายก็ได้ไม่หายก็ได้เราไปบังคับเขาไม่ได้แต่เราบังคับใจเราได้คือเราบังคับใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายกับเขาเขาจะไม่หายก็ไม่เป็นไรเขาจะหายก็ก็ได้เขาหายแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาใหม่ให้คิดอย่างนี้นั้ ย่งไม่ต้องไปดีใจเวลาก็หายเย่างเงี้ยเดี๋ยวเวลาเขากลับมาใหม่ก็จะไม่ดีใจแล้วก็จะเสียใจย่งก็เราคิดว่าเขาเขาอยู่ก็ได้เขาไปก็ได้เขาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องมาใหม่เขามาใหม่แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปก็คิดอย่างนี้ยใคให้เห็นอนิจจังให้เห็นวก็เขาต้องมีการมามีการไปเราต้องรับกับกับสภาพของเขาได้เหมือนกับเรารับสภาพกับน้ําท่วมได้ปีนี้น้ําท่วมเยอ เดี๋ยวเดี๋น้ำก็ลดแล้วเดี๋เดือนสองเดือนน้ำมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าเข้ากลับมาใหม่เขาก็ท่วใหม่เราก็ต้องอยู่กับเขาไปเท่านั้ควาเจ็บก็เช่นเดียวกันเจ็บวันนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาเจ็บใหม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บนี้วันนี้แล้วก็หายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บกลับมาเป็นใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปจนกว่าร่างกายนี้จะตายไป กัเรื่องเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คืออยู่ที่ใจเราว่าจะรับกับเขาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองใจเราไม่ไปหวั่นไหวไม่ไปหวาดกลัวไม่ไปวิตกกังวลเขามาก็ได้ไม่มาก็ได้เราก็อยู่ของเราไปใจของเรามีหน้าที่รับรู้ก็รับรู้ไปเท่านั้นเอง ปัญหาของใจเราคือเราไม่เราไม่ยอมเราไม่ยอมรับ <único> ร <word> ู farther. ้เวทนาบางชนิดไงเช่นเวทนาทุกเวทนาที่เราไม่อยากจะรับรู้เราอยากจะรับรู้แต่สุขเวทนาพอทุกเวทนามาก็ไม่อยากจะรับรู้เหมือนคนที่ส่งข่าวมาถ้าข่าวดีจะฟังจะรับฟังแต่ถ้าข่าวร้ายไม่อยากจะรับฟังเราต้องรับฟังทั้งข่าวนี้ทั้งข่าวได้ ไม่ว่าจะเป็นอะไรเราต้องเราต้องรับรู้ได้ใจไม่ได้เป็นอะไรกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายใจเป็นเพียงผู้รับรู้เท่านั้นเองถ้าใจรับรู้เฉยๆก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าใจเป็นไปมีอคติเข้าไปมีรักมีฉันเข้ า, าก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาเวลารับรู้สิ่งที่ดีก็เกิดความรักความชอบก็จะเกิดตัญหาความอยากให้อยู่ ให้สิ่งที่เรารักเราชอบอยู่อยู่กับเราเป็นนานๆก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความวิตกกังวลกลัวเวลาที่เขาจะต้องไปจากเราถ้าเจอสิ่งที่เราไม่ชอบก็เกิดความอยากให้เขาหายไปก็เกิดความทุกข์ทรมานใจที่เวลาที่อยากให้หายแล้วไม่หายต้องอยู่ต้องอยู่กับเขาก็จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเรายอมรับได้ทั้งสองสส่วน ไม่มีอคติไม่มีรักไม่มีชังเขาเขามาแบบนี้ก็ได้มาแบบนี้ก็ได้ไม่รักไม่ชังเฉยๆมามาแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้มาแล้วหรือยังไม่ไปจะอยู่ไปนานๆเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันต้องคิดอย่างนี้ใจต้องไม่มีอคติพวกเราส่วนใหญ่มันชอบรักความสุขเกลียดความทุกข์กัน พอความสุขมานี่โออยากให้มันสุขไปนานๆเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่อยากจะให้มันหายไปเร็วๆใวเรวาไม่สบายนี่อยากจะให้มันหายเร็วๆนะี่แล้วพอหายแล้วก็ไม่อยากจะให้มันกลับมาอีกแสดง ว, ว่าใจเราไม่เป็นกลางนะใจเรายัางมีอคติอยู่ยังมีรักมีชังอยู่ เราต้องฝึกสติจเจริญสมาธิใช้ปัญญาองค์ประกอบสามองค์นี้จะคอยรักษาใจให้เราอยู่ตรงกลางให้ให้สักแต่วรู้รับรู้เฉยๆรู้แล้วไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเฉยๆ ตัวที่เพิ่มนั้นเป็นตัวที่เพิ่มไปตามกิเลสตัณหาใช่ไหมคแต่ตัวที่รู <t> ้เป็นอีกตัวหนึงก็ตัวรู้เนี่ยที่ก็เพิ่มนะตัวรู้เปนตัวเพมตัวรู้มันเป็นเหมือนน้ำไงส่วนกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนกับก้อนก้อนอิฐที่เราโยนใส่ไปในน้ำโยนก็ไปทีมันก็กเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าถ้าใจจิตมีสติสมาธิปัญญามันก็จะไม่กระเพิ่มถึงแม้ว่า <ell> <YOUR S 2> จะโยนก้อนอิดลงไปในน้ําน้ําก็จะไม่กระเพิ่ม เหมนน้ำเป็นน้ำแข็งนี่น้ำมันแข็งนี่โยนก้อนหินลงไปมันก็ไม่กระเพื่มอมเราต้องทำใจของเราให้เย็นเป็นเหมือนน้าแข็งเนี่ยอยไม่กับเพื่อมกับอารมณ์ต่างๆกับกับรูปเสียงกลิ่นรสกับเหตุการณ์ต่างๆที่เข้ามาให้ให้ใจสัมผัสรับรู้คุณส่งขา่ า, า, งขาวด้มาก็ไม่กระเพื่อมส่งข่าวดีมาก็ไม่กระเพื่อม เฉยๆรู้ว่ามันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใจใจไม่ได้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข่าวดีหรือข่าวร้าย mm. <ๆ>เพราะอะไรเพราะว่าได้อะไรมามากเท่าไหร่ตายไปก็ออกไปไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมเสียอะไรไปเท่าไหร่ก็เหมือนกับไม่ได้เสียเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราอยู่แล้ว ถ้าเขาเอาใจเราไปได้เนี่ยอันนี้ยใจเราจะมีได้มีเสียแลแต่ไม่มีใครเอาใจของเราไปได้ไม่มีใครสามารถทำลายใจของเราได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทำลายใจของเราได้เพราะใจเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้กับร่างกายนี้ใจเราอยู่ที่หนึ่งอยู่อีกมิติหนึ่งหรืออยู่อีกภูมิหนึ่งเราอยู่ในโลกของวัตถุโลกของดินน้ำลมไฟ แตใจอยู่ในโลกของของนามธรรมาแล้วอย่างคนที่ตายก็ว่าพอทำทำบาปพ้องาดต้องไปตกนรกเจอลงโทษเนี่ยตัวไหนที่ไปไปตัวลงโทก็ตัวใจไงตัวใจเนี่ยตัวจิตเนี่ยตัวที่เป็นผู้เป็นเจ้า ข, ของร่างกายนี่แหละแต่การถูกลงโทษนี่มันไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนเป็นคุกคองเปรเมะอะไรนี่มันไม่เป็นอย่างน มันเป็นอยู่ในใจทันทีอแล้วใจมันจะร้อนขึ้นมาเป็นไฟนระกขึ้นมาเผาผลาญใจของของตนเองเพรนวันที่โยมไม่สบายใจวันนั้นน่ะใจของโยมก็เป็นนรกน ะ, ะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปโดนลงโทษตอนทีชีวิตไปแล้วไม่ใช่ ม, ใช ม, ใชมันเป็นทั้งสองตอนไงเป็นทั้งในปัจจุบันเวลาโยมคิดร้ายคิดไม่ดีนี้ใจก็ร้อนเป็นนรกขึ้นมาแล้วมันก็จะ มันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าใจของเรามันคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวลราคิดดีมันก็เย็นลงมาเช่นเมื่อเราโกรธใครอาคาดพยายามบัตรไปใครเงี้ยแล้วพอดีเราเปลี่ยนใจฮะยกโทษให้มันไม่เอาอะไรใจเราก็จะเย็นลงไม่อาคาดพยายาบัตรใจเราก็จะกลับมาเป็นสวรรค์เป็นปกติเดแล้ ว, แ ล, วแล้วตอนตายแล้วนะตอนตายแล้วก็อยู่ที่ที่ไอ้ไอ้ความคิดของใจเราตอนนั้นว่ามันจะคิดไปทางไหน ถ้าเวลาตายส่วนใหญ่คนเราจะคิดไปในทางที่ไม่ดีมันจะคิดไปในทางทางกิเลสตัณหาความกลัวตายกลัวบาปความกลัวความอยากไม่ตายความอยากไม่เจ็บเนี่แล้วประกอบกับความคิดที่ไม่ดีที่มันเคยสะสมอยู่ในใจเรามันก็อาจจะผุดขึ้นมา แต่ถ้าเราคอยฝึกทำใจของเราให้คิดดีเงือให้สงบเงื้อพอถึงเวลาตายเราก็สามารถควบคุมใจของเราให้สงบไม่ให้คิดร้ายได้มันก็ใจก็จะเป็นสวรรค์หรือเป็นนิพพานไป เวลาตายไปนี่ใจของเราก็เหมือนกันตอนที่เรานอนหลับฝันไปเนี่ยตอนเวลานอนหลับบางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้ายถ้าฝันร้ายก็เป็นเหมือนว่าบาปเป็นตัวสั่งการให้ให้ให้ผลิตความฝันแบบนี้ออกมาถ้าเวลาฝันดีก็แสดงว่าบุญเป็นผู้ังดันให้ให้ผลิกความฝันแบบนี้ออกมาในเวลาเราตายไปเนี่ยบุญกับบาปมันก็จะเป็นตัวที่จะสั่งให้ใจผลิต นรกหรือสวรรค์ขึ้นมานี่มันก็ขึ้นอยู่ว่าบุญกับบาปสองตัวเนี้ตัวไหนมันมีกำลังมากกว่าถ้าตัวที่ตัวที่บุญมีกำลังมากกว่ามันก็จะสั่งให้ใจผลิตแต่เรื่องที่ดีขึ้นมาถ้าบาปมีกำลังมากกว่ามันก็จะสั่งให้ผลิตเรื่องที่ที่ร้อนที่ทุกข์ทรมานขึ้นมาถ้าบุญกับบาปมันมันมันพอกัน มันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนมันก็มันทั้งสองฝ่ายไม่สามารถผลักดันให้ไปสวรรค์หรือไปนรกได้มันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วก็มาสร้างกำลังของสองฝ่ายนี้ใหม่สร้างกำลังของบาปสร้างกำลังของบุญใหม่แต่แต่ก็ต้องาาม่ใช่บาปในในส่วนที่ทําไม่คก่อนน่วะถ้าถึงเป็นสุดเ <screen> <c oughs> ลยก็เนี่ยไงบาปบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นมัน ขณะที่เราทําบุญนี่เราก็สร้างกําลังของบุญให้มากขึ้นขณะที่เราทําบาปล้วก็จะเพิ่มกําลังของบาปให้มีกําลังมากขึ้นแล้วบุญกับบาปนี่มันก็จะเป็นตัวที่จะคอยต่อสู้กันว่าจะตัวไหนมีกําลังมากกว่าถ้าบุญมีกําลังมากกว่ามันก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็จะสร้างนรกขึ้นมาสร้างอบายขึ้นมาแต่เมื่อเพื่อมันสร้างมาแล้วมันก็จะอ่อนกําลังลงไป พออ่อนกําลังลงไปถ้ามันบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาแล้วถ้าบุญอ่อนกําลังลงมามันก็ถ้าเกิดมันมาเท่ากันเมื่อไหร่บุญกับบาปมันเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก่อนแล้วก็มาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่ก่อนแต่ถ้าบุญนี่มีกําลังมากกว่าอยู่เรื่อยๆเนี่ยบุญมันก็จะสร้างสวรรค์ขึ้นมาจนกว่าบุญมันจะอ่อนกําลังลงมันก็จะพอเท่ากับบาปมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ถ้าเรากลับมาประเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็มาสร้างบุญใหม่ให้มากขึ้นกว่าบ่ายแล้วตายไปมันก็ไปสวรรค์ น, นี่มันก็ไม่ต้องไปนรกเนีย่ยเหมือนพระพระพระโสดาบันนี่ถ้าไม่สร้างทุกชาติท่านจะไม่สร้างบาปตั้งแต่ท่านเป็นพระโสดาบันทุกชาติที่ท่านมาเกิดท่านจะทั้งแต่บุญอย่างเดียวนั้นกําลังบุญมันจะมีมากกว่าที่จะทําให้จิตของท่านนี่ขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นพระนิพพานพ อ, อถึงขั้นพระนิพพานแล้วบุญก็จะไม่เสื่อมกําลัง ถ้าสร้างบุญในระดับศีลสมาธิเนี่ยมันจะเสื่อมได้แต่ถ้าสร้างบุญในระดับปัญญามันจะไม่เสื่อมถ้าได้บุญขั้นไหนแล้วมันก็จะรักษาบุญระดับนั้นไว้ถ้าได้บุญขั้นระดับโสดาบันมันก็จะอยู่ในระดับโสดาบันไปไม่มีวันเสื่อมลงมาเป็นกุทธชนถ้าได้ขั้นอนาคามีมันก็จะอยู่ในระดับของว่านาคามีพอได้ขั้นของพระอรหันต์มันก็จะอยู่ในขั้นของพระอรหันต์ถึงแม้บาปเก่าๆที่เคยทำไว้อยู่มันจะไม่มีกําลังพอที่จะมา ผลิตบาปให้ผลิตผลของบาปให้เกิดขึ้นในใจได้เพราะอํานาจของของบุญมันมีกําลังมากกว่าในความจริงในจิตเราเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ระหว่างบุญกับบาปโดยหลวงตาท่านพูดกิเลสกับธรรมเนี่ยมันเป็นการต่อสู้กันถ้าเราสร้างพลังธรรมให้มากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปกิเลสจะไม่สามารถผลิตผลิตบาปผลิตผลของบาปให้กับใจเราได้จะผลิตแต่บุญอย่างเดียว อย่างพระโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกภพทุกชาติท่านมักจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เสรยจแล้วท่านก็จะกลับไปเกิดเป็นเทพเป็นอะไรแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบรารมีใหม่จนขั้นสุดท้ายชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวชสารดรเนี่ยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์สร้างทานบรารมีอย่างเต็มที่พอท่านตายไปท่านก็กลับไปเกิดบนสวรรค์พอพอบุญพอบทบุญจากสวรรค์ลงมาก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายเสดทัศน์ก็มาสร้างบุญใหม่ต่อ ที่สร้างบุญแบบเต็มที่เลยทีนี้สร้างบุญขั้นแบบเป็นขั้นของพระอริยะเจ้าขึ้นไปนะนั้นการทําบุญนี่ไม่ขาดทุนทำไปเถอทานศีลภาวนาเนี่ยทำไปเท่าไหร่ได้ทั้งนั้นเป็นของเราหมดเลยจะเป็นทำเป็นตัวที่จะทําให้จิตใจเราผลิตแต่สวรรค์ผลิตแต่ความสุขให้กับเรา แล้วทุกภพทุกชาตินี่จะไม่ต้องกลับไปเกิดในบ่นะเพราะกําลังของบุญมันจะมีกําลังมากกว่าเหมือนคนพวกสองคนชั ก, กเยร์กันเนี่ยถ้าพวกหนึ่งมีคนเดียวไอ้พวกหนึ่งมี5คนเนี่ยมันจะไปทางไหนมันก็ต้องไปทางของคนที่มี5คนนีถ้าเรามีมีทําบุญ5้หครั้งทําบาปครั้งเดียวเนี่ย <c oughs> บุญก็ต้องมีกําลังมากกว่าแล้วเราทําบาป5ครั้งทําบุญครั้งเดียวยบาปมันก็จะดึงไป แต่พวกเราส่วนใหญ่นี้เป็นสวรรค์กันอยู่แล้วชอบทำบุญกันอยู่แล้วชอบรักษาศีลชอบภาวนาอยู่แล้วเราไม่ผ่านศีลก็เลยไม่ได้บุญขั้นที่เรียกว่าสูงและถาวรได้บุญที่เสื่อมเนี่ยกินแค่เป็นเทวดาเทวดาเสร็จแล้วก็กลับมาสร้างใหม่ ก็ยังดีอ่ะยังดีอ่ะอย่าไปทำบาปก็แล้วกันอย่าให้บาปมันมีกำลังมากกว่าบุญก็แล้วกันเหมือนเหมือนเหมือนบัญชีกันฝากกันเงินกู้อ่ะการเป็นนางฟ้าไ่ถ้าถ้าบัญชีกันฝากกันมากกว่าเงินกู้ก็ไม่เป็นไรยังมีเครดิตดีอยู่ถ้าตามไดถ้าถ้าถ้าเงินกู้มันมากกว่านี้ธนาคารก็จะไม่ให้เรกเขาจะมาตามเก็บหนี้แล้ว แต่เรายังมีเงินฝากมากกว่าเงินกู้เขาก็เขาก็ใจเย็นเขก็ไม่มาตามเก็บวิหารธรรมไหมถึงการอยู่ระหว่างของจิตของจิตที่บริสุทธิ์กับขันใช่ไหมค่ะใช่ก็จิตที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านไม่ต้องภาวนาเพื่อที่จะตัดกิเลสเพราะมันไม่มีกิเลสจะให้ตัดแต่ขาดที่มันยังมีมีการชํำยุทธุดเสริมต้องการพักผ่อนหลับนอน การเวลาทำสมาธินี่ก็เป็นการพักขันพักทั้งพักทั้งร่างกายและพักักทั้งจิตใจคือพักความคิดสังขารความคิดตรุงแต่งอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการวิหารธรรมคือพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้านี้เวลาท่านเข้าสมาธิท่านไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะไปตัดกิเลสไปดับกิเลสเพราะไม่มีกิเลสที่จะต้องดับแต่เป็นการพักผ่อนร่างกายและพักผ่อนจิตใจ ถ้าถ้านอนหลับนี่มันจะพักแต่ร่างกายอย่างเดียวจิตใจนี่ยังจะทํางานได้อยู่ขันยังปรุงแต่งได้ขัญยาควาเช่นนอนหลับฝันไปอย่างเนี้เวลานอนหลับแล้วฝันกับเวลานอนหลับไม่ฝันนี่จะมีความต่างกันเวลานโยมนอนหลับแล้วหลับสนิทไม่ฝันนี้ตื่นขึ้นมาร่างกายจะรู้สึกสดชื่นจิตใจจะสดชื่นเ บ, บิกบานกว่าเวลานอนหลับแล้วฝันไป วันนีฝันไปแล้วตื่นขึ้นมายังรู้สึกว่านอนหลับไม่เต็มอิ่มในทั่งฝันของพ่อหันก็จะเป็นเหมือนแบบผู้ปุถุชนมือนไม่เหมือนมันไม่เป็นทางกิเลศแต่มันก็ฝันเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ได้อาจารย์ท่นอาจารย์บอกว่าถ้าเราฝันได้ก็จะนามขันมัยังทํางานอยู่นีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมัยังทำงานอยู่ แล้วลนอนดับนี้สติมันก็มันก็หยุดทํางานชั่วคราวมันว่างแต่มันว่างมันคําว่าว่างไม่ได้คำว่ามันหยุดทํางานคาว่าว่างมันคือมันว่างจากกิเลสตัณหาเข้าใจไหมคือจิตจะไม่ปรุงแต่งไปทางความอยากเป็นนั่นอยากจะเป็นนี่อยากให้คนนั้นทําอย่างนั้นทยากให้ทําอย่างนี้แต่น่าอาจจะคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้เรื่องก่อน กอสร้าง JD, เดีย์เนีน่ยเลือกทำนู่นทานี่คิดไปตามเหตุตามผลมันคิดได้ยังไม่ได้คิดไปตามตามความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เวลาถ้านั่งสมาธิอย่างเงี้ยมันจะหยุดความคิดตรุงแต่งอะไรต่างๆนี้มันจะหยุดหมดร่างกายก็ได้นั่งพักท่านถึงต้องมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้านั่งมากๆร่างกายมันก็ปวดเมื่อย อย่างเมื่อกี้เนี่ยพอพ อ, พอพอพอยมคนแรกที่มากลับไปพอดีคุณโยมถามมาพอดีเราก็เลยลงไปเดินทักสักห้านาท <c oughs> นีก็ต้องยืดเส้นยืดสายหน่อยเพอเป็นเงีเ้ลอดมมันไม่หลแล้วมันก็จะมันจะเจ็บเจ็บเส้นเอ็ น, นอะไรตา่างมันก็ต้องมีการเปลี่ยนเรียบบุอันนี้เขาเรียกวิาวหารธรรมเพื่อการอยู่อย่างอย่าง อย่างสุขสบายระวังระวางขันกับจิตระวางจิตก็ต้องการพักผ่อนเหมือนกันร่างกายก็ต้องการเปลี่ยนอิริยาบถดูแลอิริยาบทพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารนี่เป็นเรื่องของวิหารธรรมงนั้นเป็นผราอาหารก็ไม่ต้องกินข้าว่ไมไม่มีความอยากแล้วก็ร่างกายก็ป่าทานกับของของุชนก็เหมือนกัน ขันของของปุตุชนกับของพระอรหันต์ก็เหมือนกันต่างตรงที่ว่าจิตของพระอรหันต์กับปุตุชนนี้ไม่เหมือนกันจิตไม่มีกิเลสกับจิตที่มีกิเลสแต่ขันนี้เป็นเครื่องมือของของจิตร <up> ่างกายเป็นเครื่องมือของจิตนามขันก็เป็นเครื่องมือของจิตแต่ถ้าจิตมีกิเลสนามขันก็จะถูกคิดไปในทางกิเลสคิดอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นนั่นเป็นนี่ แต่ถ้าไม่มีกิเลสก็ไมไ่คิดไปในทางนั้นก็จะเฉยๆเป็นอะไรก็ได้เขาให้เป็นอะไรก็เป็นถ้าถ้าเหลียกไม่ได้ก็เป็นไปแต่ใจจริงๆแล้วไม่อยากจะเป็นอะไรทั้งนั้นแต่ยังอยู่ในโลกสมมุติอยู่เขามาตั้งให้เป็นสังฆราชก็ต้องเป็นถอาที่ยังอยากเป็นออก็แปลว่ายังยังมีกิเลสแต่คนที่เป็นเป็นแล้วแต่ไม่ได้อยากก็ก็ไม่ได้เป็นกิเลสคือเป็นนะอ่า ก็อย่างมีหลวงตาเคยเล่าเรื่องสมเด็จพระสังฆราชวัดโบ อ, องก่อนน่ยว่าเวลาที่ท่านไปรับพัยดยศกลับมานี่ท่านให้คนขับส่งวงที่ประตูหลังวัดข้างข้างวัด แล้าบอกเอาพัดยนต์นี้ไปไว้หน้าวัดเขาคาพูดนี้กําลังรอสังกราชอยู่ให้ไปจนได้เองโรงพยาบาลวัดท่านนองหนองวัดเข้ากุฏิไปเลยแล้วสังคนแล้วเอาสังกราชไปเอาพัดยนต์ไปพราะท่านไม่ใช่เป็นสังกัลลาดเลยท่านท่านเป็นนลวงตาชื่นท่านเป็นนลวงตาชื่นท่านชื่อชื่นนพวงศ์ลอมลเจ้าชื่นนพวงศ์ชื่นไม่อชื่นอ่ะชื่นอหลวงตาพัดยนต์หวงขยับ เจอพระท่านรู้สึกว่คนอยู่บน อ, อยากลงทายอยู่บ้าง น, นั่นแหละแสดงว่าท่านรับด้วยความจำจำจำใจจำยอมเพราะอยู่ในตกอยู่ในโลกของสมมุติเข า, าถ้าไม่รับแล้วมันจะเป็นการเสีย <c oughs> เสียมารยาทเข้าใจไหก็รับไปท่านเองแต่ใจไม่มีความอยากได้